สรรนังกา ต่อไปก็ให้ฟังธรนะพร้อมทังการปฏิบัติเจะตะนาหังพิกเวกัมมังวดามนะิผู้เจ้าตรัสว่าพิสุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานะนะเป็นตัวกับ คำว่ากรรมมันก็คือคือการกระทำยัตโยมแล้วก็ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างกรรมกันอยู่แต่มันเป็นกรรมไยไหนถ้าเราทำดีาะเรียกเป็นกรรมขาว แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นกรรมดำกรรมมันก็มีผลต่างกันมันไม่เหมือนกันจงบุกยะถากรรมมังคมิสันติ ทุกคนย่อมเปลี่ยนไปตามการกระทำเราจะทำกรรมใดไวนะ้ที่บอกกาลยายนังวาปาปังวาดีหรือชั่วเราก็ต้องได้รับผลของกรรมตรงนั้นแหละที่บอกญาณิการโรติ ปุริโสตานิอัตานิปัสสติบอกคนทำกรรมใดไว้นะก็ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนชัดเจนคำนี้ไม่ต้องแปลเลยตนได้ทำกรรมอันใดไว้นะมันมันเห็นแล้ว มันไม่มีที่มืดและไม่มีที่สว่างคำว่ากรรมที่ตนทำไว้นะเรารู้ตลอดตัวรู้มันคือใครล่ะใช่ไหมใจเราเรารู้แล้วทีนี้เราจะปฏิเสธ เราจะไม่ยอมรับหรือเราจะยอมรับนั่นอีกเรื่องหนะึ่งแต่ใจมันรู้แล้วว่าทำอะไรลงไปนั่นแหละเป็นสมบัติของเราที่จะพาเราไป <c oughs> มันจะพาเราไป ยิ่งปฏิบัติเนี่ยยิ่งเห็นกรรมนักปฏิบัติเชื่อไหมมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นกรรมยิ่งเห็นบุญยิ่งรู้บาปยิ่งเห็นบาปยิ่งเห็นบุญยิ่งเห็นคนยิ่งเห็นโทษกําหนดเข้าไปรู้ทุกโศกสิ่งชั่วดี มันค่อยๆเป็นไปนะติบกกระแสของของผู้เจริญสติอบรมจิตทมสมาธิรักษาสินเจริญวิปัสสนาก็ตามนะมันค่อยๆเห็นนะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์จริงบอกว่ามันเปลี่ยนคนได้มีอยู่วิชาเดียวเท่านั้นในโลกนี้ ศาสตร์ทั้งมวลในโลกนี้ไม่สามารถเปลี่ยนจิตมนุษย์ได้ไมีอยู่ศาสตร์เดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนจิตมนุษย์ได้คือพุทธศาสตร์อย่างอื่นเปลี่ยนไม่ได้ไมีอยู่อย่างเดียวจริงๆคือพุทธศาสตร์ ทำให้บุคคลนั้นเกิดความรู้ยิ่งและก็เห็นความเป็นเราเห็นตัวเราความเป็นของเราและก็รู้อีกว่าความไม่เป็นเราความไม่เป็นของเราความไม่เป็นตัวเราจะรู้จักทั้งสองอย่าง บอกทำกรรมใดไว้ด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีกรรมนั่นแหละเป็นสมบัติของเราที่จะพาเราไปตามวิบากผลแห่งกรรมนั้นๆเห็นไหมที่เราสวดมนต์ใบพระกันเรามีกรรมเป็นเผ่าพันเรามีกรรมเป็นทายาทเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผล เราจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆ น, น, นี่ก็แสดงว่าตัดสดาญาโดภวิสามิเราจะเป็นผู้รับผลกรรมนั้นเอวังอัมเฮหิอภินนะหังปัจเจเวคิตตปัง เราควรที่จะพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเลยพิจารณาดูเมื่อรู้เรื่องของกรรมแล้วนะใครละ่ะอยากจะได้รับกรรมที่เผ็ดร้อนนะไม่มีนี่คือตัวรู้แล้วตัวสติตัวปัญญาจนถึง การสิ้นออกจากความหลงอันเป็นทุกข์และก็ไม่ติดอะไรอีกเลยพอเราเริ่มเข้าใจการปฏิบัติบอกเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาตั้งแต่เห็นว่าสังขารมันเป็นทุกข์บ้าง สังขารทัองปวงไม่เที่ยงบ้างและก็เห็นสังขารไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบ้างนั่นจึงหยุดความหลงได้ถ้าตราบใดนะ <c oughs> ที่เรายังมั่นหมายกัน ที่บอกพาลาเวในปัญจคันธาเดียวกันดังห้าเป็นของหนักเนี่ยบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปเราไม่รู้หรอกที่เดินแบกกันทุกวันเนี้ยเราไม่รู้หรอกเวทนาขันสัญญาขันบิญญาณขันสังขารขันรูปะขัน เราไม่รู้หรอกแบกกันจังเลยแบกด้วยอะไรคำว่าอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นเราแบกความยึดถือไปด้วยความมั่นหมายสำคัญตนมานะทิฏฐิความเห็นตรงนั้นนะ่ะมันยึดไว แต่ส่วนพระรีเจ้าท่านบอกว่าเป็นผู้ถอนตนหาแล้วเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาแล้วนั่นเป็นอนว่าท่านดับนะดับท่านดับคำว่าดับตรงนั้นน่คือท่านไม่เกิด แปลให้มันตรงหน่อยดับของท่านคือไม่เกิดในอุปทานขันที่ว่ามานั่นแหละท่านดับเช่นกว่าเราเนี่ยนะจะรู้ซึ่งรู้ถึงสิ่งเหล่านี้เนะี่ยต้องวนเวียนกันยกใหญ่นะ ไม่ใช่ว่าเดียวๆนะต้องวนเวียนกันมากเลยจนกว่าเกิดทมตรงนี้ว่าเราเบื่อหน่ในการเข็นฆ่าเบื่อหน่ายในการปรธสาร้ายเบื่อหน่ในการเบียดเบียนเบื่อหน่ในการทำลายเราเห็นโทษสิ่ง น, นี้แล้วนั่นแหละ โฮมของคนเนี่ยจะดีขึ้นตั้งแต่บัตรนั่นเลยทุกคนมันต้องเกิดตัวรู้ก่อนเหมือนคนที่ติดสิ่งเสพติดและเลิกเนี่ยเพราะเห็นโทษไม่เห็นสาระที่ตนนั้นจะต้องไปคล้องไปติดไปยึดไปถือหรือตกเป็นทาสในอำนาจสิ่งนั้นอีก เริ่มเห็นภัยวัฏตะสงสารความเกิดจมเกิดจมเกิดตายเกิดแก่เกิดตา ย, เ ก, ก เ, กตายเกิดแตกจมอยู่อย่างนี้แหละในปฏิกูลของชีวิตที่เกิดเวียนกันอยู่อย่างนี้เมื่อระลึกได้สติจิงน้อมมาสู่ ผู้ไม่เบียดเบียนก็เริ่มเอาศีลเข้ามาเป็นผู้ชำระบาปทั้งหลายทั้งปวงสยินเป็นผู้ชำระบาปพูดได้เต็มคำเลยไม่มีสิ่งอื่นจะมาชำระบาปได้แต่มาบอกให้ฟังคำพูดทั้งโลกนี้สิ่งที่จะชำระศีลได้ สิ่งที่จะชำระบาปได้คือศีลเท่านั้นไม่มีหนทางอื่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัพพปาปัสสะาการะนังนั่นก็หมายถึงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงมาจากศีลก็เกิดการ สมทานวิรัตงดเว้นสิ่งต่างๆที่จะทำให้เรานั้นตกไปสู่ทุกขติพงก็สมทานปานาติบาตเว้นแล้วหนอจากการฆ่าทำลายเบียดเบียนให้ร้ายยังความเดือดร้อนให้กับสัตว์น้อยใหญ่หรือชีวิตมนุษย์ ก็เอาสติตรงนั้นแหละกำหนดว่าเราจะไม่ประพฤติอย่างนี้ไม่กระทำเช่นนี้อีกสินตรงนี้จะเป็นผู้ชำระให้มือที่เปื้อนเลือดเนี่ยนะเลือดนั้นจะแห้งไปแล้วก็ไม่มีเลือดใหม่ที่จะมา ท่วมกายของเราได้อีกวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นที่จะร้อยบาปได้ล้างมนทินได้ชำระกายนี้ให้สะอาดได้ตัวอย่างพระเถระองคุริมาณนั้นเป็นตัวอย่างแล้วอำนาจศีล ทำให้ท่านพ้นจากคุมนรกท่านสำนึกว่าเราเป็นผู้กระทำบาปแล่วหนอเราเป็นผู้มีบาปแล่นหนอตัวของเรานั้น เต็มไปด้วยกลิ่นเลือดฟุ้งไปด้วยกลิ่นคราวเลือดสำนึกตั้งแต่นั่นมาองค์คุริมันก็ตายไปแล้วไม่มีการถืออาวุธที่จะทำลายใครอีกเลยนี่เลยคือศีลเป็นผู้ชำระ ทำไมถึงบอกศีลเป็นผู้ชำระฟังให้ดีมันไม่ใช่เพียงว่าเราไม่ทำเขาแล้วจะชื่อว่ามีศีลอันนี้สงของศีลก็คือว่าเมื่อสมทานมีสติแล้วผู้อื่นที่มาทำลายเราเราก็ไม่ทำลายเขาจึงเรียกว่าผู้รักษาศีล เราอ่านึกว่าเราไม่ฆ่าเขาแล้วเรามีศีลนะไม่ใช่จะดูศีลสะอาดไม่สะอาดบริสุทธิ์ไม่บริรสุทธิ์ศีลมั่นคงไม่มั่นคงศีลแน่วแน่หรือไม่ศีลพระอริยะหรือไม่ต้องดูเมื่อมีสิ่งมากระทบต้องดูเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างตึงเครียดท่านจะมีสติ รักษาศีลตรงนี้ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ถ้ารักษาได้นั่นแหละนั่นแหละคือผู้ที่รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตคำได้กล่าวเขาบอกว่ายอมเสียทรัพย์สละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลมันเป็นคำยิ่งใหญ่มากไม่ใช่ธรรมดา ไม่ธรรมดาพระโมคคลานะถูกโจนตีกระดูกแตกแหลกเหลวแต่ไม่คิดที่จะเบียดเบียนทำลายให้ร้ายกับโจนนั้นและส่วนหนึ่งทมกคลาท่านก็รู้วาระของวิบากกรรมที่ท่านได้ทำเอาไว้ ทั้งที่มีฤทธิ์มากจะทำไม่จนห้าร้อยนั้นเป็นจุนก็ได้แต่ไม่มีความปรารถนาที่จะทำอะไรทั้งสิ้นเพราะท่านได้เห็นความสิ้นสุดแห่งสังสารทุก์สังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดย่อมไม่มีสำหรับเราท่านดับแล้วขันทั้งห้านั้น ไม่ปรุงแต่งโกรธพยาบาทอาฆาตคิดร้ายทำลายว่าเขามาฆ่าเราไม่มีตรงนั้นนี่แหละผู้รักษาศีลจนถึงความบริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่เกิน เทวดาทั้งหลายทรงปวงบอกให้ฟังศีลของพระอราหารันต์ศีลของพระอริยเจ้าในโยมยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลมันเป็นคำที่ที่เรายัางห่วงสังขารร่างนี้อยู่นะทำไม่ได้หรอกตั้มมามบอกได้เลยว่าทำไม่ได้ ทำไม่ได้ให้ตั้งใจยังไงก็พอมันเจ็บเข้าเจ็บเข้าเนี่ยไม่ไหวแล้วก็ต้องโตตอบเลือดล้างด้วยเลือดสุดทนแล้วมันเป็นคนชั่วเราต้องฆ่ามันเสียเราไปบัญญัติขึ้นมาแล้ว เราไปยกตนเป็นคนดีเอาคณเป็นคนชั่วติดปัญญาติขึ้นมาแล้วยังไม่เหนือชั่วเหนือนดีเลยตรงนี้เขาให้เหนือชั่วเหนือนดีตรงที่จิตต้องไม่ไปผขกอะไรทั้งสิ้นใช้ให้มันถูกจุดทมของพระอระหรันต์รมของพระอิศเจ้าเป็นอัศจรรย์หนอยบอกพุโทโธ อาโหพุท โ, ทอโธอาโธรมโมอาโหสั่งโคพระพุทธเจ้านะอัศจริงหนอพระธรรมเจ้านะอัศจริงหนอพระสงฆ์เจ้านะาอัศจรใจจริงหนอชัดเจนมากพอเราเห็นแล้วความอาหารพณในศีลตรงนั้นแหละมันประกาศความบริสุทธิ์ไม่ว่าจะนั่งอยู่ในที่มืด ที่สว่างบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีบาปโดยประการทั้งปวงแต่มาเชื่อว่าสัตว์น้อยใหญ่ก็มาทำลายท่านไม่ได้นะความบริสุทธิ์ของศีลท่านเทวดาทั้งหลายต้องรักษาคุ้มครองท่านจะไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมากํากลายทำลายท่านยกเว้นแต่คู่วิบากแห่งกรรมด้านั้น ไม่มีใครไปขวางหรอกสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นไปตามกฎแห่งวิบากมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอเรารู้เราเข้าใจนะความองค์อาจสง่างามของศีลนะมันจะปรากฏอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่กรรม พูดเต็มคำอะมันอยู่ที่กรรมกรรมคนนี้คือกรรมของผู้มีศรรีลเป็นผู้ละบาปแล้วเป็นผู้กระทาอันยิ่งแล้วของศรรีลไม่มีอะไรที่ต้องด่างต้องมองต้องขุนเคืองศรรีลไม่ขาด แล้วการสํารวมนี้ไม่ต้องบอกเลยเขาไม่พูดเพ้อเจ้อหรอกบอกให้ฟังไม่ได้คขนองด้วยอย่างนั้นจะรักษาศีลได้อย่างไรศีลของพระรีเจ้าก็ไม่เพ้อเจอนะเขาไม่ได้พูดอะไรเพรอยๆไม่ได้พูดอะไรแบบใช้อารมณ์มาพูดไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหท่านพูดเนี่ยพูดด้วยส ja ัจจะ พูดด้วยสติพูดด้วยขันติพูดด้วยเมตตาพูดด้วยปัญญาพูดด้วยวิริยะพูดด้วยอธิฐานธรรมเนี่ยพูดด้วยจิตอันวางแล้วเปดูเบกขาพูดด้วยการอภัญทานเนี่ย พูดได้ศีลในข ม, มาการออกนี่จริงไม่มีคำหยาบเลยภาษาของสัตว์มนุษย์โลกนี้จะไม่เข้ามาในวาจานี้ได้เลยล้วของท่านนะธรรมวินัยเรื่องคำหยาบนี้ไม่ต้องพูดเลย ท่านจะไม่มีวาจาที่จะให้ร้ายสาบแช่ง ใ, ใครไม่มีมีแต่การตักเตือนแล้วก็พร่ำสอนคำว่าดุ ด, ดาดุว่าไม่ใช่ดุแบบทำลายให้ร้ายนะคือเป็นการดุสอนอย่างนี้กิตที่ตั้งไว้ในความปรารถนาอย่างนี้มี ไม่ใช่ว่าพูดไพเราะต้องไม่ใช่นะต้องเข้าใจเหตุเข้าใจผลว่าควรกล่าวยังไงให้เหมาะกับบุคคลนั่นนั้นจริตนั่นนั้นะบางคนชอบพูดตรงตรงบางคนต้องพูดแบบให้กำลังใจบางคนต้องพูดแบบดุถึงสะดุง้งทำความเพียร ศีลตรงนี้ทาไมยกแค่คออเดียวนะมันก็เหมือนกันพอต่อไปเนะี่ยท่านก็เป็นผู้ชำรระแล้วบาปมันจะเกิดทางไหนล่ะผู้สำรวมกายอันดีแล้วสำรวมมาจาอันดีแล้วจะไปหยิบฉวยของเขาเหรออืม ไม่แล้วก็รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตแล้วเขาจะไปขโมยได้ไหมล่ะฐานะตรงนี้โดยเจตนานะไม่มีแล้วผู <c oughs> ้เจ้าเน้นถูกเรื่องเจตนานี่ว่าเออสำคัญเห็นไหมเจตนาห่างพิกขเวกัมมังวดามิเจตนาเนี่ยมันเป็นตัว ตัวกรรมแล้วนะ่ะท่านไม่มีเจตนาตรงนั้นหรือเจตนาตรงนั้นที่จะหยิบฉวยเอาของใครด้วยอาการขโมยหรือมีความโลภที่ปรารถนาโดยเจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตเหตุตรงนี้จะไม่เกิดนับรองได้ ไม่มี <c oughs> ไม่มีเพราะท่านรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตแล้วนะไม่มีรับรองได้ฉะนั้นฐานนะจุดเนี้ยมันไม่ได้ช่องอีกแล้วจะให้คนเหล่านี้ตกไปสู่เวจีนั้นไม่ได้นิสัยของพระอิยาจะต้องมีศีลตัวเนี้ยจึงเรียกว่าปิดอับายได้ถ้าไม่อย่างนั้นอับบายยังปิดไม่ลง มันยังมีภูมิของเปรตอยากได้อยู่ความดูร้ายพวก อ, อสุรกายสัตว์ในราจฉานแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอิจฉาลิสยากันอยู่ให้ร้ายทำรายกันอยู่พวกสัตว์นรกกูนาตาบอดจิตอันกระด้างทั้งหลายท่องปวงพวกที่ยังมีความมืดบอด ศีเลเรานีจะเป็นผู้รังครับเรื่องที่จะคำว่าละเมิดนี่ไม่มีตัดไปเลยไม่ว่าศีลข้อสมเรื่องเรื่องกรารก็ดีแต่ถ้าถึงจุดนั้นแล้วมันจะเป็นอภรรมมากกว่านะครับบารมจริยาแนละ้วจะเป็นผู้ถือพรหมจรรย์ไม่ค้องด้วยกราร แต่ถ้ายังอยู่ในสี่ห้านะก็จะมีความสัตย์ซื่อต่อสามีตัวเองต่อภรรยาตัวเองซึ่งกันและกันเพราะอยู่กันด้วยความไม่หลงอยู่ด้วยความจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุที่เป็นพระอารหาันต์ แต่สามารถปิดอบายได้เพราะอยู่ด้วยเทวธรรมมีความระอายมียิริโอตปปะมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติดนั้นไม่ต้องพูดเลยท่านเป็นผู้มีสติตลอดจะเสพอะไรจะใช้สอยอะไรจะดื่มอาบเคี้ยวกินอะไรนะท่านมีสติตลอด ยิ่งกว่าเป็นเครื่องกรองน้ํายิ่งกว่าเป็นเครื่องกรองเสียงทั้งหลายทั้งปวงสตนะิที่จะเอาเข้ามาสู่ชีวิตเรานะท่านจะกลั่นแล้วก็กรองสิ่งเหล่านะั้นต้องเป็นของสะอาดทั้งสิ้นท่านจริงไม่เพอเลอที่จะยังให้สตินั้นขาดด้วยความเมา ไม่มีบอกเดยเลยผู้มีศีลไปดูได้ที่ห็นเมานั่นมันไม่ใช่ผู้มีศีลบอกได้เลยไม่มีศีลฉะนั้นเราต้องเข้าใจเพราะท่านสำรวมกายวาจาปากพูดก็รู้ปากอ้าก็รู้ดื่มเคี้ยวกินก็รู้เดินไปไหนจิบอะไรท่านก็รู้คว้าอะไรอยู่ท่านก็รู้นั่นแหละ พอเข้าใจแล้วศีลเป็นผู้ชำระบาปเห็นชัดเลยอันนี้สงตรงนี้อยู่อย่างผู้มีปกติสุขไม่เป็นผู้เดือดร้อนในการกระทาในการพูดและต่อมา พอเจริญสติยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกุศละูซปสัสมปดาการทำกุศลให้ถึงพร้อมท่านอยู่ด้วยศีลแล้วชีวิตตรงนั้นน่มันเป็นกุศลอยู่แล้วทีนี้จะทำให้มันถึงพร้อมทุกอย่าง คือไม่ใช่แต่ว่าเรานั้นไม่ทำบาปแต่เราจะทำความดีด้วยเห็นไหมบางคนพูดคำเดียวไม่ทำบาปก็พอแล้วถามจริงปัญญามีแค่นี้เหรอเกิดมานะพูดแค่นี้เองเหรอเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดไม่ใช่ ตั้งผิดตั้งใหม่พูดผิดพูดใหม่คิดผิดพูดคิดใหม่ทำผิดทำใหม่ได้คนที่กล่าวอย่างนี้จะมาบอกเป็นคนคัดแคบคิดว่าเราไม่ทำชั่วไม่ทำบาปพอแล้วชีวิตสังคมอยู่ด้วยอะไร สังคมอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความดีความจริงใจความมีน้ำใจการอบอ้อมอารีการช่วยเรือสังคมจึงอยู่รอดและก็ปลอดภัยแต่พูดอย่างนั้นก็คือตัวใครตัวมันถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นความเห็นแก่ตัวในอุปนิสัยไม่ต้องบอก บุคคลเหล่านี้จะมีแต่เขาไม่รู้ฉะนั้นเราไม่ทำชั่วอย่างเดียวไม่ใช่ว่าพอเพียงหรือเพียงพอเราก็ต้องสร้างกุศลผลแห่งกรรมดีมีอะไรล่ะกุศลแห่งกรรมดีเยอะเยอะมากจะทำอะไรล่ะ ชีวิตของเราก็ทำไปสิเวลามันจะหมดแล้วมานั่งรออะไรทำอะไรก็ทำไปที่มันเป็นเขาเรียกว่ากรรมขาวเป็นคุณธรรมเป็นความเจริญเป็นการสร้างสรรค์ให้ชีวิต ที่อยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อต่อกันมีความจริงใจต่อกันไม่คิดที่จะทำในสิ่งที่มันไม่ควรก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แห่งความดีงาม มีคนก็ถามว่าความดีงามเอาอะไรเป็นเกณฑ์เหรอแต่มาบอกความดีงามถ้าเจ้อาเป็นเกณฑ์หนึ่งไม่เบียดเบียนตนสองไม่ให้ร้ายผู้อื่นเอานี้เป็นเกณฑ์ก่อนแล้วทำสิ่งใดแล้วเกิดความผาสุกร่วมกันก็ดีเกิดความผาสุกในชีวิตก็ดีอันได้เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ดี ต่อตนเองก็ดีนั่นคือความดีทั้งสิ้นแต่ต้องมีเกณฑ์ก่อนนะว่าไม่เบียดเบียนตนไม่ให้ร้ายผู้อื่นต้องมีเกณฑ์ตรงนี้เป็นพื้นก่อนถ้าไม่มีนิเละไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นและก็ทําแบบ ไม่มีใครต้องมาร้อนใจกับเราไม่มีใครต้องมาทุกข์กับเราไม่มีใครต้องมาได้รับอันตรายจากเราและทำสิ่งนั้นเอื้อเฟื้ออันเป็นประโยชน์จนเรียกว่าเกิดบุญกุศลคือทำแล้วมันสงบทำแล้วมันเชื่อว่าความสุขนั่นคือบุญนั่นแหละคือกุศล ฉนันหลายคนบอกความดีทำแล้วไม่ได้ดีบอกไม่ใช่ต้องมีพื้นฐานของความดีที่บอกว่าไม่เบียดเบียนตนไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วทำสิ่งที่เป็นไปเพื่อความผาสุก ข, ของหมู่คณะของส่วนรวม นั่นเรียกว่าความดีการเผื่อแผ่บริจาคทานก็เป็นความดีการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ยากไรผู้ที่ลำบากนั่นก็เรียกว่าบมเพ็ญกุศลก็แล้วแต่ว่าโอกาสเรานั้นชีวิตเรานั้นยืนอยู่ในจุดไหนที่จะทำจุดไหนได้ก็ให้ทำจุดนั้น มันไม่มีเกณฑ์ตายตัวนะอย่างเห็นคนชารากำลังเดินมาถูกแดดร้อนมาเราเรามีมีร่ม อ, อยู่ในมือเนี่ยนะจิตเกิดเป็นกุศลเดินไปหาแล้วเอาร่มกลางท่านท่านจะบอกเออคนนี้เป็นคนดีเห็นนะมมีใจเป็นบุญกุศลช่วยเหลือคนแก่คนเฒ่าคนชาราชัดไหมตรงนี้ แล้วแต่แตมาบอกมันไม่มีกฎตายตัวความดีบอกทํายังไงเป็นความดีแตมาบอกไม่ได้บอกไม่ได้คนกําลังจมน้ําเราไปยืนเห็นนีแต่เรานั้นว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยก็ยืนมองว่าจะช่วยยังไงถ้าลงไปเราก็ตายเพราะไอ้นั่นก็ว่ายน้ําไม่เป็นไปตกน้ำยังไงไม่รู้ ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ถึงความวิบัติของสัตว์นั้นก็คือจมน้ำตายหรือเราไปวิ่งหาไม้หาเศษผ้าหาเชือกมาโยนให้เขาถ้าทันก็ถือว่าได้ช่วยชีวิตถ้าไม่ทันในช่วงนั้นเวลานั้นเหตุการณ์ น, นั้นมันหาไม่ได้ก็สุด ปัญญาที่จะช่วยแต่ถ้ากระโดดลงไปถาว่าทำความดีหรือเปล่าท่านั้นแต่มาตอบไม่ได้นด้เพราะไอ้คนไปช่วยมันก็ว่ายน้าไม่เป็นและไอ้นู้ลงไปมันก็ไปกดคอกันเองก็มุจะว่ายังไงดีจากศพเดียวเป็นสองศพแต่ถ้าคนนั้นเขาว่ายน้าเป็นละ่ะและไม่ช่วย คนนี้คือคนไม่ดีคัดแคบเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะไม่เห็นผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นคิดว่าไม่ใช่ธุระตัวเองแต่ถ้าว่ายน้ำเป็นแล้วก็กระโดดลงไปช่วยแต่ามาบอกคนนี้คือคนดีเขาวัดกันที่ไหนใจไง เขาวัดกันที่ใจเา น, น้ใจดีใช่ไตอนนี้ก็ช่วยเหลือนี่แหละความดีมันเกิดตอนใจดีรู้จักไม่ใจดีนั่นแหละคนกำลังทำความดีเพราะใจดีทั้งนั้นลลองใจร้ายเนี่ยมันทำความดีไหมเออจบตรงนี้เองแล้วไปหากันเองนะแต่มาพูดไม่จบหรอก ชีวิตนี่มันมันมากมายไกลกองที่จะพูดได้ให้จบสิน้นมันซับซ้อนมันซ้อนเร้นมันเงื่อนงำมันโอ้มีกลยุทธ์มากมายเกิดจึงบอกแหมตาราเนะีชีวิตคนเนี่ยอ่านไม่จบตาราอื่นเนะี่ยเรียนเนี่ยจบนะแต่ตาราชีวิตเรียนไม่จบเชื่อไม่เชื่อ เรียนไม่จบหรอกที่เรานั่งกันอยู่เรียนไม่จบหรอกแต่ตำราชีวิตนี้เรียนจบแต่ชีวิตจริงเรียนไม่จบมันต้องศึกษาไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะมันต่างคำต่างวาระต่างบุญต่างบาปต่างบุคคลต่างจิตต่างใจสารพัด ไม่ชบหรอกยมเชื่อไหมล่ะแหมยมเอาใจกับคนนี้มันมันไม่ชอบใจสิไม่ชอบอย่างนี้เลยทำไมต้องมาเอาใจด้วยฉันไม่ใช่คนบรรยาอ่อนนะอเอ๊ะตรรราเขาบอกถ้ารู้จักเอาใจประจบประแจงสามีรักตายเลย พอได้มาจริงๆสามีมันจะทิ้งท่าแล้วฉันไม่ใช่เด็กต้องมเมาใจฉันอย่างนี้ต่อไปอยา่าทอีกนะเปิดตำราไม่ทันเลยจริงหรือเปล่านะโยมโ ย, ยมชอบเค็มผัดเค็มนึกว่าเขาบอกอร่อยนะโทไม่ไม่จบ เช่นเราจะต้องรู้ว่าใจดีเมื่อไหร่ก็เป็นคนดีเมื่อนะั้นพื้นฐานของมันก็มาจากใจนี่แหละดีไม่ดีคนเรารู้อยู่ที่ใจคนมันจะมาปล้นเนี่ยโยแมแหมพูดดีจังเลยทองเส้นนี้เท่าไหร่ราคายังไงมีเส้นใหญ่กว่านี้ไหมมีใหญ่กว่านี้อีกไหม พอดีจะซื้อให้ท่านประธานวันเกิดพอดีเท่าโซ่มีไหมยอยู่หลังบ้านมีไหมชักชักยังไงยังไงอยู่มันถามดึงหลังบ้านเลยว่าสักคู่ท่านนั้นเนี่ยเสียงวายแล้วก็ใจมันตั้งมาแล้วอะโยมว่าจะปล้น มันจะพูดดีมันก็ไม่ดีบอกเออคนดีดูที่ไหนใจที่ตั้งไว้นั่นแหละแต่เราดูไม่ออกหรอกโอ้ทายมเห็นใจคนมันก็ดีสิอันนี้มันจะมาโกงฉันนี่อันนี้มันพูดไม่จริงเนี่ยมันก็จบใช่ไหมอันนี้ขึ้นศาลอันนี้มันโกหกนี่ใจมันไม่ดีไอ้คนนี้แต่หลักฐานมันดี ไอ้คนเจนดีไอ้ไงกลายเป็นคนชัว่วไปได้เห็นไหมจำน้นโดยหลักฐานแต่เครื่องที่สุดนะจิตอันเป็นกุศลตรงนั้นแลวถึงจะเป็นคนดีได้และพอยิ่งมีสติมากขึ้นมากขึ้นต่อมาที่เรียกว่า สจิตตะปริโยตัป น, นงังการชำระจิตของตนเนี่ยให้ขาวรอบให้สะอาดให้บริสุทธิ์ตัวนี้ละกิเลสแล้วนะตัวนี้เป็นตัววิเศษสุดเลยตัวสูงสุดในพุทธศาสนา มันยิ่งกว่าที่พูดมาทั้งหมดแล้วไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความยึดติดอยู่ในขันทั้งหลายทั้งปวงแล้วอุปทานทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีแล้วละหมดกิเลสตหาทั้งหลายทั้งปวงก็ละหมด ชั่ระจจิตให้ข่ารอบตอนนี้นะผู้ปฏิบัติจิตเรามันบริสุทธิ์อ่มบริสุทธิ์ไหมจะบอกยาวะนิพพานะโตมะมังนัดสั้นตุสัปปดาเดวะกว่าเราจะถึงนิพพานมาลายสิ้นจากสันดาน เยสันตานในกินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจตัวตัณหาอุปทานนี่แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละให้กว่าเราจะล่าได้นะโยมมัน มันต้องรู้แจ้งจริงๆนะที่เราปฏิบัติกันในบางทีเราได้ในระดับไม่ทำบาปมีจิตเป็นกุศลทําความดีแต่ละกิเลสตัวเนี้มันเหนียวหนึบเลยล่ะโยมเครว่าโอ้ยละกิเลสมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแตมาบอกโยมไปพูดไกลๆอาตมาเลยแตมาหมั่นไส นั่งจนเอวจะขาดแล้วไมาบอกเล็กน้อยอีกไม่จริง่ะโยมโอ้ยเรื่องความโกรธเลยฉันหมดแล้วโธ่โยมลองใครเอาน้ำมันมาลาดหนวเอาไฟจุดดูเถอโยมขี่คารันจะอาฆาตไปยาบา ท, ทุกภพทุกชาติเอาจริงหรือเปล่าใครมาทำลายของรักโยมสิไม่รู้มันเกิดตอนไหนแต่มาว่า สิ่งเหล่านี้มันซ่อนเร้นอยู่ในจิตเราโดยเราไม่รู้เขาเรียกว่าขันธะชันดานเอาถ้าคนมาทำลายของรักโยมโยมรู้สึกยังไงตอนเนี้ยมันมีกระดองใจใไหมแมมเจ็บกระดองใจมันมีตัวกูไหมเจ็บจริงๆได้เลย มันทำลายของเราของที่เรารักเอาละเรื่องไม่เกิดโยมไม่เห็นดอกเชื่อธรรมาเลียวจึงมีผู้บําเพ็ญหลายคน ส, สำคัญตนว่าบรรลุแล้วสำคัญตนบรรลุตั้งแหมตั้งหลายเดือนไนจะิตมันว่างไม่มีอะไรเลยแหม ไม่มีการปรุงจิตเลยจิตไม่มีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจเฉยๆแน่จริงนะจิตตรงนั้นโง่มันยังไม่ตายมันนอนหลับไปเหยียบหัวมันดูสิ พ, พิษพ่นออกมาเลยนะ ตอนนี้เราดูไม่ออกบอกไปเลยดูไม่ออกแต่พอมันมีคู่กรรมคู่วิบากมาแล้วโอ้โหโบ้านก็ถูกไฟไหม้ทรัพย์สินก็ถูกทำลายหายนะหมดคนรักก็จากคนดีก็มาเป็นศัตรูเอาแล้วมาซ้อนซ้อนซ้อนกัน คนที่เคยช่วยเหลือเราก็คิดร้ายกับเราเอาเอาก็ไปพอหนักเข้าหนักเข้าโยมมันเริ่มเกิดความหวั่นไหวลูกที่เคยรักกับชี้หน้าด่าว่าเราโอ้โหยิ่งกว่าฟ้าผามันสุดไม่มีคำพูดแล้วนอกจากนึกถีอว่าบาปกรรม เวนกรรมเกิดความหวันวิตกขึ้นมาแล้วสติเริ่มแนละเริ่มตามไม่ทันนะนะความเป็นตัวเป็นตนเริ่มก่อเกิดแล้วสังขารแห่งความปรุงแต่งจิตเริ่มเกิดแล้ว แต่ถ้าไม่มีเรื่องจะมาบอกว่าแก้วน้ําแก้วเดียวตั้งไม่กระทบกันมันไม่มีปัญหาหรอกพอไปเจออีกแก้วมาชนเพี้ยงแก้วร้าวบ้างแก้วแตกบ้างน้ําหกกระเด็นบ้างจึงบอกว่าให้ระวังผัดสายให้ดี ถ้าสติตามไม่ทันนั้นเรียบร้อยให้ระวังตอนไหนตาที่เห็นรูปหูขณะได้ยินเสียงบอกกำหนดรู้ไว้นะท่านจะกำชับไว้สติกำหนดรู้ไว้กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอารมณ์ที่รู้ภายในนั้น ตรงนั้นที่รู้อารมณ์ถูกต้องอารมณ์ของใจให้ระวังไว้่นลิ้นเมื่อสัมผัสรถนะก็บอกให้ระวังไว้ให้มีสตินั่นเองแล้วก็พิจารณามีสติกำหนดไปเรื่อยๆ นักปฏิบัติเชื่อไหมถ้าเกิดเรามีเวทนามากๆนะคิดว่าเราสติเราตั้งได้นะมีความทุกข์มากๆประดังประดังประดังเข้ามานะใจเราจะสงบได้จริงเหรอเนี่ยตอนนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายจริงๆเนี่ย ใจสัน่นนะเนี่ยการชำระจิตเนี่ยให้เขารอบนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทำกันอยู่นะโยมปุถุชนเนี่ยนะ อย่างน้อยก็ต้องรีบขึ้นจากขุมนรกเสียก่อนนะโยมหนีไฟร้อนเชื่อก่อนพอคืนมาได้จริงๆแล้วนั่นแหละแล้วก็เร่งทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปอีกรู้ไหมคนที่จะสามารถละชำระจิตให้ข่ารอบได้จะต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเราไม่เห็นสามอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะละมันได้เพราะความเป็นเราความเป็นของเราความเป็นตัวเราเนี่ยมันหนาแน่นมากฉะนั้นต้องเอาอนิจจังทุกขังนัตามาเป็นเครื่องยังจิตตรงนั้นให้เกิดความรู้สับปะสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเรานั่นตัวนั่นตนของเราถ้าจิตมันกําหนดจริงๆลงไปไล้เห็นอย่างนั้นได้นั่นแหละไม่ว่าใครจะเกิดใครจะตายใครจะพบใครจะจากจิตตรงนั้นมัน มองไปด้วยความไม่มีสาระแล้วจนมองจากความว่างภายในจิตตรงนั้นออกมาสู่ชีวิตจริงๆนะไม่ใช่มองจากความเป็นตัวตนของจิตตรงนั้นออกมานะมองจากความว่างที่ไม่มีความมั่นหมายในตัวตนออกมาจากจิตและมองเห็นสิ่งปรากฏอยู่ไม่มีสาระจริงๆเห็นเกิดตั้งดับ และสติตรงนี้ปัญญาตรงนี้มันจะไม่ไหลไปสู่ความเป็นเราของเรากระแสตรงนี้จึงตัดได้ทำมาอย่างนั้นไม่มีทางแต่มาบอกเลยให้ฝึกมาล้านชาติล้านปีไม่มีทางไม่มีทางบอกไว้แล้วก็มาละรูปนามขันของตัวเองเริ่มตั้งแต่เห็นความไม่เชื่อง รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงจนถึงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมองเห็นรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกคําว่าทุกข์คํานี้ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกข์ร้อนทุกที่ทนอยู่ไม่ได้ มันมีความแปรมีความแตกมีความเสื่อมมีความเสลายแปลว่าทนได้ยากชีวิตของเราเนี่ยอยู่ด้วยการทนได้ยากมันจึงขับแค้นกันมากมันจึงมีความเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปหมดไปหมดไปหมดไปไทยเห็นอย่างนั้นได้เมื่อไรแล้ว มันไม่มีตัวที่จะไปกําหนดว่าเป็นเราอีกมันไม่มีตัวเห็นว่าของเรามันหมดตัวแล้วขันห้ามันไม่มีตัวแสดงว่าเป็นเราของเราอีกแล้วบอกนิชชาโตตรงนี้มันดับได้มันดับได้เพราะดับได้อะไรมีอะไรเป็นอะไรพบอะไรจากอะไรที่ปรากฏขึ้น มองไปด้วยความว่างที่ไม่มั่นหมายว่าสิ่งนั้นเที่ยงอีกต่อไปมันชัดมากชัดจนบอกว่ามันสว่างจนเป็นปัญญาบารมีอันหลุดออกจากสังสารวัฏและจิตขนาดนั้นเนี่ยมันสว่างมันเบามัน มันว่างมันบริสุทธิ์มันผุดพองมันมันกับบัวที่มันบานไม่มีอะไรแล้วในชีวิตไม่มีตัวตนในตัวตนไม่มีชีวิตมันรู้เข้าไปในการเห็นไม่ได้เป็นตัวตนในตัวตนนั้น สักว่าเห็นเท่านั้นแล้วก็ดับลงไปโอ้ยมันจะรู้ยิ่งกว่าอรตมาพูดอย่างนี้นะมันแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองแต่ตัวรู้แจ้งมันมีสภาวะที่มันอิ่มเบิกบานจิตมันหลุดออกและแหมอนุภาพของจิตขนาดนั้นเนี่ยโยมคิดดูพู้เจ้าตรัสไงว่านิพพานเป็นสุขอันยิ่ง นิพพานนังประมังสุขขังไว้บอกจะบอกสุขอื่นมันเสมอยิ่งกว่านิพพานไม่มีแล้วเพราะมันสุขจากความรู้แจ้งมันไม่ใช่สุขจากการปรุงแต่งสุขจากกิเลสสุขจากตัณหาไม่ใช่นะมันสุขจากความรู้แจ้งไอความรู้แจ้งตรง น, นั้นะ มันคือปัญญาอันสว่างเกิดขึ้นอยู่ภายในและคิดดูภายในเรามันมีความสว่างรู้แจ้งที่บริสุทธิ์หมดเลยเนะี่ยไม่มีขันอะไรเข้ามาเป็นตัวยึดอีกแล้ว น, ะนั่นแหละเขาเรียกว่าโลกุตระนี่แหละโลกุตระทำมันเป็นเครื่องพ้นออกหลุดออก ข้ามผลวิสัยแล้วแกเจ็บตายเป็นของร่างกายสุขทุกข์ดีใจเสียใจเป็นอารมณ์เกิดดับไม่ได้เป็นเราทั้งสิ้นเลยโอ้โหขนาดนั้นจิตของใครที่เข้าไปถึงแล้วนะมันจริงไม่มีความเกิดอีกเลยนะเราทำไปฝึกไปอบรมไปปฏิบัติไปนะ ทมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้ น, นเป็นที่สุดแห่งกองทุกแล้วและไม่ต้องพูดอีกเลยมันเหนือสมมุติบัญญัติทุกสิ่งทุกอย่างจึงจบสิ้นไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าที่จะต้องกำหนดอีกแล้วมันหมดแล้ว ไม่มีกิจอื่นที่ต้องทำชีวิตนี้มันไม่ต้องกลับมาอีกแล้วนี่แหละเรียกว่าความสมบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยศรรีลสมาธิปัญญาครบนิพพานนงปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่านิพพานไม่มีปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก นติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างในเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีก็จบลงตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสงสัยอีกแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องติดข้องอีกแล้ว มองโลกนี้ได้ความว่างจากความมั่นหมายความเป็นตัวตนเราเขาอีกแล้วแล้วคิดดูว่ามันจะเอาอะไรมาเทียบอีกแล้วว่าสุขเนี่ยมันไม่มีตัวเทียบแล้วอ่ะมันเกินบัญญัติแล้วมันไม่มีอีกแล้วมันหมดคำพูดแล้วเอวังก็มีด้วยประการเชนี้ จบแล้วไม่มีแล้วเลิกเทศแล้วถ้ามีก็เราก็ยึดกันต่ออีกก็มาเริ่มใหม่อีกนั่งไปอีกสิบห้านาทีจะได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลแผ่เมตตา